ทำกันเนาะเพื่อให้เป็นส่วนประกอบการศึกษาปฏิบัติให้ปฏิบัติตามธรรมให้ทรรมนำพาคนเราก็มีกายมีใจจะเอากายเอาใจเมื่อปฏิบัติตามธรรมเอาเกิดมาเกิดผลเกิดความดีขึ้น แต่คนคนหนึ่งเมื่อคนคนหนึ่งมีความดีก็จะได้ทำดีมีขามีแขนมีปากมีเสียงมีตามีหูมีคุยชีวิตจิตใจก็จะได้ไปทำประโยชน์้ที่ได้ปฏิบัติก็ได้คุณค่าคุ้มค่าที่ได้เกิดมาตอบบุญททนคนโทษแม่ ซึ่งมีคุณต่อเรามากเราอยู่กับธรรมชาติดินฟ้าอากาศแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำเราจะมีประโยชน์แต่รักษาช่วยกันจากคนคนหนึ่งมาปฏิบัติเนี่ยมันชื่อชื่อตรงๆงเหมือนกระดักเรียนพุทธศาสนารเรียนศาสนาจริงๆ ถ้าเวลาใดที่เรามีกายมีใจนี้เอากายเอาใจมาสัมผัสกับความรู้จึกตัวเข้าไปนี่คือศาสนาคือคนนี่มีกายมีใจนี่เอามาต่อเอาศาสนาศาสนาคือการสอนสอนกายสอนใจ ค, ค, คนเราดิเจ้าคนก็มีกายมีใจ เราเคยใช้กายใช้ใจผิดพลาดมาก็มีแล้วก็ไปติดด่างเอื่นซะติดชิเลตตันหาติดลาคะาติดปวดติดโลภติดหลงติดสุขติดชุกติดความรักความชดีใจเจยใจเมื่อมาติดกองไม่ถูกต้องก็เกิดทุกข์เกิดโทษตัวตัวเองแล้วคนอื่นจีเกือบวัตถุอื่นแล้วก็ทำให้เดือดร้อนกัน มีตัวบทกฎหมายมีกองทัพมีอาวุธมีคุก ม, มีตลรางขึ้นมาก็ใช่กายใช่ใจผิดท่านเองมี่มาโลงเรียนเข้าโรงเรียนพุทธศาสนายกเราก็เห็นว่าผู้ที่มาปฏิบัตินี้เหมือนกับว่ามีหวังจากคนคนหนึ่งเขามาจมเบาความ ดีให้พระธรรมนำพาเขาไปแล้วก็มีหวังจะตีพึ่งเขาจะได้ไปทำความดีจะได้ไปบอกไปสอนคนอื่นต่อไปศาสนาพุทธศาสนาอิสลามเขามีโรงเรียนปอดอกไม่ช่วิจารณ์นะ้วนักเรียนปอดนี่มีข้าวหาัว ปีหนึ่งหลายหลายหลายมื่นบาทคนคนหนึ่งตองจ้างเรียนบนนอกเรียนศาสนาอิสลามผู้ผู้สอนก็ชิบเป็นชั่วโมงชั่วโมงละหลายพันบาทศาสนาศาสนาพุทธจะ เ, เรียนบาลีอสามันบาลี จะมาเรียนออกลอกไปตามตามหลังยังเรียนสามันทั่วไปเรียนไปทางอื่นซะอันนี้ก็มีค่าหัวสำเร็จไปเรียนหนังสือไปรเรียนสาหมันก็มีค่าหัวปีหนึ่งก็หลายพันหลายหมื่นบาทเหมือนกัน แล้วก็ถ้ามีสำนักเรียนมีโรงเรียนเปิดโรงเรียนได้ผู้ที่เป็นอาจารย์อาจจะมาจะรอซะได้ไปรเรียนซะส า, ามารถเปิดโรงเรียนได้ถ้ามีนักเรียนร้อยคนก็ได้เป็นอาจารย์ใหญ่ทำหน้าอาจารย์ใหญ่ก็มีเงินเดือน ถ้ารักเกลียนสองรอยคนก็มีขอออ ก, ก็มีเงินมีทองามากไปแต่วิธากรรมฐานนี่ปเลยไม่มีค่าหัวอะไรถราก็ต้องเสียสละมากันเองอย่างนี้ถ้ามีเงินมีทอง มันอดิสัลางก็จะจ้างเหมือนกันนะแต่มันไม่มีเงินมีทองจะจ้างคนมาปฏิบัติธทรรมเนี่ยไอ้ข้งหัวคนลดเติมลดเทิมไปเลยไอนี่เราก็ทุนของเราคือสัปดาหนี้แหละมีสาธานะั วัตถุมีที่อยู่อาศัยเป็นทุนของเรามีอาหา ร, เ, ร, า เ, รงหงเป็นทุนของเรามีเรื่องนุ่งห่มเป็นทุนของเรามีประชาชนชาวบ้านเป็นทุนของเราเมื่อกับนิธิรีนทบาทก็ได้เข้ามาพอได้อยู่ได้ฉันกันบ้างอันนี้ก็ หรือว่าคนใจนะอยากเห็นคนเนี่ยคือมีกายไม่ใจเนี่ยเอามาต่อความดีเ ม, มื่อมีสติรู้ตัตวรู้กายเคลื่อนไหวแล้วเวลามีสติเห็นกายเคลื่อนไหวก็จะเห็นใจมันคิดจะได้สอนกายต้งสอนใจด้วยใจกายไม่ถูกสอนไม่ปล่อยให้เกิดความลู้ จุดตัวเนี่ยมาเกิดคุณภาพขึ้นมากลายเป็นศีลเป็สมาธิเป็นปัญญาเกิดขึ้นกับกายกับใจของคนเนี่ยเมื่อศีลเกิดขึ้นในกายที่ใจนี่คนคนหนึ่งก็จะมีประโยชน์คุ้มค่าศาสนาก็จะมีที่เึืงอยจะด้วยช่ช่วยศาสนา บอกกิดบอกถูกต่อผู้ต่อคนเตืบทต่อดกันไปถึงดูกถึงหลานถึงการแตยาวไกลแต่ว่าคนไม่ศึกษาเรื่องความถูกต้องที่ากายทิ่ใจเราก็จะมีแอุ่กโทษเกิด ข, ขึ้นทั่วไปเดือดร้อนทั่วไป ก็คนคนเดียวสองคนสามคนไม่พอก็ความเชื่อกลับมากกวัวความดีน้ำน้อยก็ยอมแพ้ไฟช่วไม่ได้แล้วก็เดือดร้อนคนดีก็เดือดร้อนสมมติว่าคนดีมีร้อยคน แต่คนช่วมีคนเดียวก็เดือดร้อนนั่งร้อยคนได้เหมือนกันแต่ไม่พอจึงมาช่วยกันอย่างนี้ลงทุนกันแบบนี้พวกเรามีจัดทธาอย่างนี้มีการมีใจลงทุนกันเองอ่ะนี่ร่วมหุ้นส่วนหรือแบบริษัท บริษัทจีมีภาพพิกษุสงมีแม่คีมีอุวาสกคือ ผ, ผู้ชายมีวาสิกาคือผู้หญิงเรียกว่าบริษัทหุ่นส่วนไหวธรร ม, มะเจริญงอกงามเกิดมากเกิดผลขึ้นมากมากจะได้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันไปหีือตขอ้เราจะมีค่าตรงนี้ ยกเบ่อไว้ตัวเองได้ที่เกิดมามีค่าแล้วเงินทองและเหรียญจบสูงสูงมันก็ไหว้ได้ประโยชน์เรื่องนี้มันไม่ถูกการสูญใ จ, จไม่ได้สัมผัสกับความถูกความผิดไม่ได้สอนความผิดให้เป็นความถูกก็จะไม่มีค่าก็ จึงเป็นเรื่องที่ช่วยกันไม่ใช่เมื่อใครที่ใดที่หนึง่งเดี๋ยวนี้ชาวพุทธเราเนี่ยมันเข้าใจจามสอนพระเจ้าใ น, ะาาำนาตำลาก็มีอ่านเป็นตัวหนังสือก็มีเขียนไว้เป็นพัดไตรือดก ถ้าเป็นภาษาบาลีก็สี่จุดห้าเล่มแต่แปลเป็นภาษาไทยก็แปดสิบเล่มสอนอย่างไรแล้วนำมาปฏิบัติมาสอนตัวเองวิจ้าสอนเรื่องอะไรบางเดือนเราจะไม่รู้โดยสิย้นไปได้ประโยชน์อะไรจากการศึก ษ, ษาพุทธศาสนา แล้วก็อาจจะตอบไม่ได้ถ้าเราไม่ศึกษาไม่สัมผัสระเบียบถูกต้องที่มันอยู่ในกายในใจเรานี่แม้แต่ตัวเองก็ไม่ได้ใช่ศุขก็เป็นศุขอ่แบบนั้นทุกก็เป็นทุกข์อยูแบบนั้นโกโรธโลภหลงก็ยังโ ก, โกโรธโลภหลงอยู่เช่นนั้นไม่ได้ใช่ธรรมะไมไ่ใช่าศาสนาเลย แต่ก็ตายทุกตีเจ็บก็ทุกตายก็ทุกลองให้มี่เท่าไร่ก็ลองให้เสียใจกันหมดยิ่งทำความความความความโกรธเห็นค่าเบียดเบียนกันก็ยังมีอยู่นักโทษในประเทศแต่ยันล้นคุกต้องกรมราชธรรต้องอบานหาเงินสร้างคุกเพิ่มกระดีกยงจะเพียงก่อ พวกมารที่ได้จากแผ่นดินก็ไปเลี้ยงนักโทษก่อนที่จะมาสร้างประเทศชาติให้มันดีเป็นดูข้าวัโอ้ะเป็นแหล่งอาหารแต่นี่ก็แม้แต่รัฐบาลก็นะตัวแทนขปราชาชนก็มีปัญหาเสือดอมอนกัน เดินกับบอพวกประเทศเวลานี้ภาคเหนือภาคใต้ทาบิะาบะเลสาทะเลสาบทะวลนาบทะเลสาบทะเลสาบแะเจสาบะาบทเบเาเลสาบทะเลาะเลสาบัะเทะเลสากันเลาทะเลสาะกันาเลาทสมมทติมาทะเล็ น, น, นบทะเทะาบะเาทะเลเ า, าเะลกันได้ะเเห็น ไม่ตรงกันเลาะกันอาจจะกินข้ากันได้เป็นประเทศเพื่อนบ้านขมเนสามฝ่ายเลาะกันอนี้จะเกิดไทยสามฝ่ายสี่ฝ่ายไปดูหัวกะโหลกเลยว่านี่ประเทศกัมเณเป็นเหมือนเหมือนเสยเฉหัวเจ็บใจหังเอาไว้ตุอเอาไว้ กระดดที่ถูกค่าตายเวลาเกิดเจ็ตรงคามศาสนาประเทศนี้ที่มีพุทธศาสนาก็อยู่ไปได้เอ็นเวียดนามไม่มีศาสนามีคนหนุ่มคนสาวปฏิบททัติธรรมอยู่กันเป็นกลุ่มทศวรรษก็ามาจับตักคนอยู่อย่างนี้ไม่ทำงานทำการ ก็อยู่ไม่ได้คนต้องทำงานทำกันทำงานหาจินโดย่าอยู่ประเทศไทยด้วยบ้านพรมในเสาใหญ่ในสูงเสาสาวต่างนั้นมาศึกษาธรรมะอยู่ประเทศเขาไม่ได้ อันนี้ประเทศแต่ยังมีเดินเข้าวัดยังจังอากามอยู่ชนเนี่ยไม่มีใครมาไล่เรามาเป็นนักบวชจนตายมาเป็นญาติเป็นโยมอยู่ในวัดป่าลามก็พระสงฆ์ก็อยู่ที่นี่ก็ยินดีต้นอนรับอยู่เสมอเห็นคนมาเข้าวัดปฏิบัติรู้สึกอุ่นใจ ยินดีในที่อยู่อาศัยจัดความสะดวกให้ตามฐานะนอกจากสาธาระ บ, บุคคลที่อยู่ที่นี่สาธาระ บ, บุคคลที่อยู่ภายนอกก็มาสร้างกติกาให้ให้เราอยู่สร้างกติกาสาเร็จก็มองก็จะให้วัด นายพระสงฆ์ผู้เป็นผู้นำที่นี่ก็บอกว่าปตินี้หนูมาสร้างไว้ให้คนมาได้อาศัยปฏิบัติถ้าคนมาใช้ปฏิบัติแล้วก็บุญดอกดอกถ้าคนไม่มาใช้บุญก็ไม่ค่อยจะออกดอกความประสงค์ของผู้มีศรัทธาสร้างกติไว ในวัดนี่เป็นอาจจะเป็นถึงลูกหลังแล้วก็มีพานลงประว่าได้ดูแลรักษาไว้สักผ้าซักผ่อนไว้ให้ผมให้ใช่อันนี้ก็เป็นทุนอยู่ทำไงพวกเรา มันไม่ม่ปัญญาทางใดอยกแล้วที่จะสอนคนที่มีการวิใจัยให้เข้าถึงธรรมนอกจากวิชากรรมฐ า, านนี่เท่านั้นให้มาสัมผัสตัวตัวใครตัวมันทำให้กันไม่ได้กด็อยากได้อยากได้ญาติ้าโยอมบ่อยู่ที่ดีเพราะญาติจมไม่ครอบไม่คัวไม่ลูกไม่หลาน ไปทำมาหากินก็จะได้ทําประโยชน์เจรนาะ ก, กับญาติยาตถาจะยาประโยชน์ต่อญาติเขาต่อคมีญาติดีพ่อแม่มีลูกดีพ่อแม่ก็มีความสุขลูกที่มีพ่อแม่ดีลูกก็มีความสุขตอมีที่มีพัญญาดีตามีก็มีความสุข อยญญาที่มีเสืมีดีอั ญ, ญาก็มีความสุขเพื่อนที่มีเพื่อนดีก็เพื่อนก็มีความสุขเพื่ทตายมีคนดีเราก็มีความสุขสงบร่มเย็นอย่างนี้แล้วก็มีทางเดียวทอด น, นั้นไม่ใช่ไปเกนบังคับเอากฎหมายและธรรมนูญเอาไม่อยู่รัการาาอบจนได้ คนหนึ่งรักษาคนหนึ่งก็ทำลายมันไม่เพียงพอก็อจึงมาช่วยกันนี่โตะตะตดยาประโยชน์ต่อโลกพุทธตจะจะยาประโยชน์ต่อพัสกาชนจะได้เชืบอทอดไปยาวนาวมีหลักมีฐานทังนนี่ชืบอปันมาเนี่ย ตามเห็นธาเถรพระโสนะพระอนุรดพระอรุตุตุละสองอินเดียสองโลกพิณัมฐานสนามาตะกว่าป่าประเทศไทยทีวยวว่ว่าสวรรณภูมิก็ยังไม่ถึงพวกเรานี่ประมาณเป็นตายร้อยปีมาแล้วมีบรรพบุรุษมีบุรจ า, ารย์ จนมาถึงยุคครัวอาจารย์เขาเราที่ได้สัมผัสมาก็มีคนซื้อมาประโยชน์ต่อพระศาสนามีคนสอนกันอยู่จริงๆแล้วก็สัมผัสได้จริงๆเนี่ยไม่ใช่หลอกให้ลวงมาสัมผัสโดยชิวะและวางความรู้สึกตัวไปเป็นผู้ดูแลกายใจ กาย จ, จะเป็นยังไงเมื่อมีผู้ดูลแลเราจะเกิดอะไรขึ้นที่ปัญหาเป็นไปอันกาย ใ, ใจที่มันเกิดกับกายกับใจอะไรไม่เกิดขึ้นจะได้ช่วยกายช่วยใจทนเอียงจะได้ช่วยให้สิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกไงมาดูชิเงิคกาอหทุกข์ กับความรู้สึกตัวนั่นแล้ดกับความรู้สึกตัวความพอใจกับความรู้สึกตัวความไม่พอใจกับความรู้สึกตัวนะ่ะลองดูสิบรอบร0อยรอบพันรอบดี๋ยวเจ๊นจะดิดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจไม่ชิดไม่ใช่ปีเลยตรงนี้อ่านการเกิดขึ้นแล้วมีตาเกิดขึ้นแล้วตาในเกิดขึ้นแล้ว มีตาลอบแล้วจะได้ช่วยกายจะได้ช่วย จ, จิตใจลอยข้างฝันหนนดูเชมันจะเป็นไงกายใจมันสอนได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ยอยู่ธรรมะเนี่ย <c oughs> เปื้องแรกตอนแรกมีสติมีสติไปในการเป็นประจำ มีความเพียรมีคำสัญญาถอนความพอใจและความไม่พอใจออกมาซะให้มีความรู้จักตัวพระเจ้าสอนอย่างนี้เบื้องต้นก่อนตัดสรูปพระเจ้าสอนตัวเองอย่างนี้เราก็ยังสอนกันอยู่เดี๋ยวเนี่ยอันเดียวกันครับเดี๋ยวเนี่ยความรู้จักตัวสบายครับพระเจ้ากับความรู้จักตัวเดียเ๋ยวนี้อันเดียวกันเลย คน้ะมีกายมีใจอันเดียวกันเลยไม่ใช่เพศใช่ไหว น, นอกเหนือระทีบมีกายทั้งหมดเลยมาสัมผัส ด, ดูจะได้คำตอบเองทุกขีปิดไม่ต้องถามนีม่คือของเทศของเก่งมันไม่มีคำถามดอกไม่แต่คำตอบตอบว่าเองทุกคน อะไม่เกิดขึ้นหรอกถ้ามีสติเหมือนตาเหมือนหน้าโลกเราก็ต้องรับผิดชอบเหมือนพ่อเหมือนแม่จะเหมือนพ่อแม่ที่มีลูกต้องรับผิดชอบลูกป้องกันแก้ไขคุ้มครองทันทีเลยทีเดียวสติคุ้มครองใจสติคุ้มค้องใจแล้วก็ไม่มีภยัยปลอดภัยได้ ไม่มีเลยไม่เลยปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งไม่ได้ก็ตือเรือโล้นสงสารกายสงสารใจจะปล่อยให้ไปทำผิดไม่ได้เมื่อเราคุ้มของอล่อยคุ้มของบ้านคุ้มของเหลือนคุ้มของทรัพย์สมบัติแล้วก็ต้อง เก้าสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องทันทีเป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติเป็นหน้าที่ธรรมชาติหรือว่าธรรมะอย่างนี้มาอยู่ด้วยกันเจอไหมเกิดร้อนอะไรพอจะวางอะไรได้ก็อนมาชชีวิตยอย่างนี้ลองดู ่สอนตอนเดล้วก็จะเห็นตัวชิดช่วยคนดื่นเป็นการช่วยคนดืนจาเป็นจำเป็ น, ปนงั้นปล่อยกันทิ้งมาได้ปล่อยสิ่งที่ปิดผิดให้เกิดขึ้นมาได้ทุกอย่างที่มันอยู่ในโลกนี้วเราไัย เห็นความถูกความผิดวก็จะไม่ดูจักป้องการแก้ไขความดีก็ไม่เกิดขึ้นไม่ได้ความว่าเกิดขึ้นกิบหายหวายวอดอารืนะ่องนอบนี้ก็พอจงควรเอาไปประกอบไปปฏิบัติตามไม่มีกายเคลื่อนไหว นิสตีดูกายเคนไหวเห็นใจคิดจะได้สอนกายสอนใจตัวเองกายใจจะได้มีค่ามีคุณขึ้นมาเป็นมรรคเป็นผลเป็นหัวปลอย็ดในชีวิตปัจจุบันด้วยกันทุกคนเถอ